บุกทูสามสิบเจ็ดทริดกเซประหว่างเดินทางสูรโวเเขาขับรถจักรยานยนต์ลีมอเตร์ไซคัสเขาขี่จักรยาน เขาเดินดเขาไปโดยเรือใหญ่เขาไปโดยเรื อ, อเขาว่ายน้ำ ที่นี่อันตรายไหมคะชัเอสตสดงเจรเการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะชัเอสตดงงสดงเจรโซเลเเวูรีมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนชเอสตสดงเจรน็อเปรเมนีเราหลงทาง เรามาผิดทางนี่เอสต s u ส l ร m า l ัลจูสตาวอเราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมนี่ไดเจอดรถได้ที่ไหนคะที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะคุณเล่นสกีไหมคะคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ ท, ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ ช u อ n i นี้พอบาสลูปร่างนี่สกี i อ